ก็ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต่งปปุติยานกำลังนำเสนอถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอริมักเมองแปดประการของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจาักขุกรณีีรือสร้างดวงตาให้บังเกิดขึ้นตามลำดับ และมีคำอีกคำหนึ่งเรียกว่าญาณนกรณีคือการทาญาณคือความรู้ให้เกิดผุดขึ้นคำวิญาณ น, นั้นใช้ในกรณีต่างๆเป็นนั้นมากเราจะพบญาณทิ้งหนึ่งญาณสามญาณหกญาณห้าญาณแปดญาณเก้าญาณสิบหกจขึ้นไปจนถึงสองร้อยนะ สอง้อยก็มีเจ็ดสิบกว่าก็มีตอนนี้เป็นเ พ, พราะใดเพราะว่าญาณที่จริงก็คือตัวปัญญานั่นเองที่ทำหน้าที่ขจัดโมหะไปโดยลำดับเพราะจุดเริ่มต้นของตัวปัญญาก็คือทำหน้าที่ขจัดโมหะตามปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพราะในจุดนั้นพอเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในใจเนี่ย มักจะใช้คำวัญยาณแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้คำวัญยาณตลอดไปเพราะคำคำนี้บางครั้งก็ใช้ต่อกันไปหลายคำเช่นในธรรมจั ก, กรวตนสูตรในช่วงหลังเนี่ยเราจะพบว่ามีคำถึงถึงห้าคำด้วยกันแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกันก็คือสมายานซึ่งเกิดปุดขึ้นจากพระไทยที่สงบ แล้วก็น้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในประทัยของพระองค์ใเนื่องจากเราจะต้องเจอเรื่องญาณในปธรรมเทศนาข้อนอี้อีกเป็นนั้นมากในช่วงนี้จะนำญาณชุดหนึ่งซึ่งจำแนกแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามัคคือพระใจบิดกเหมือนกันกุตการนิกาย แต่ว่าแนวปฏิสัมพิทาหมักนั้นถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันมีลักษณะใกล้ๆกับการอธิบายในช่วงหลังก็บอกว่าเป็นผลงานของภาษาริบุตรเทระจะมีการอธิบายขยายข้อความของธรรมะแต่ละคำออกไปพิสดารมากแม้แต่คําว่าสติคําเดียวเนี่ยถ้าไปรบดูที่ปฏิสัมพิทาหมักเนี่ยจะวิจิตพิสดารมาก ตามปกติแล้วเราก็ไม่เคยเอามาพูดกันในที่ทั่วๆไปเพราะเรื่องค่อนข้างยากแต่ในส่วนของคำวัญญาณที่ทรงต่านจำแนกสแสดงไว้ในปฏิสัมิธามาร์คเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดสิบสามข้อก็ทาเห็นอย่างหนึ่งว่าระดับหนึ่งเนี่ยชามนญชนทั่วไปที่มีกุศลและเจตนาพอสมควรนะ ไม่ต้องมากเท่าไหร่ก็ได้สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าเมื่อสัมผัสได้ก็ลดกิเลสลงไปได้ระดับหนึ่งจะมากหรือน้อยก็ไปดีขึ้นเพราะนั้นเราคงต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยแ ต, แต่ละข้อก็มีความพิสดารด้วยกรอบเนี่ยมันจะลึกกว้างเนี่ยมากแตกต่างกัน แ น, น่อยจะพูดถึงเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยจนสมมติเราเริ่มที่ปานาติบาทเนี่ยก็เดินเข้าไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนจิตอยู่เมตตาเมตาก็แผ่ไปในวงที่จำกัดขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนถึงเมตตาที่ไม่มีประมาณเรียกว่าอัปปมัญญาลจากนั้นไอพลังก็เมตตาที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็กลายเป็นเมตตาวิหารีคือจิตมันอยู่ด้วยเมตตาก็จะหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสเรียกว่าเมตตาเจตุโอยมดุดเราก็เจริญขึ้นไปได้เรื่จนสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปได้โดยสายของศีนข้อที่หนึ่งเนี่ยหรือสีลข้อปานอาทิบาตนี่เพราะเราจะเห็นว่าแนวที่ลึกกับแนวที่กว้างคือลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและกรอบเนี่ยขยายกว้างออกไป เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตแทนที่จะไปละเฉพาะพยาบาทอย่างเดียวมันก็ไปล ะ, ะโมหะด้วยมันไปละราคะด้วยแต่ไปละกิเลสประเภท อ, อื่นๆด้วยก็ทำดองแยะอะไกรอบติดไฟมันสว่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นละเอียดลงไปโดยลําดับจนบางครั้งบางคราวนี่ถึงจุดหนึ่งแม้แต่เข็มเล็กๆกเราก็เห็นได้แต่แสงสว่างมันส่องไปถึงคอเนะี่ย เรื่อนี้จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตในชีวิตประจำวันก็มีในระดับที่เจริญวิปัสสนาก็มีในระดับที่สนทนาและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็มีแต่ทั้งหมดท่านจะเรียกว่าญาณญาณก็คือตัวความรู้ซึ่งมันเกิดผุดขึ้นเอากมาจากข้างนอกก่อนก็ได้ หรือผ่านมาทางประสาสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้หรือเกิดขึ้นจากความสงบภายในจิตก็ได้มันก็ทํานองเดียวกับกิเลสนั่นแหละคือกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวกระตุ้นจากข้างนอกก็ได้เกิดจากรูปรูปเสียงกลิ่นรสผพผะที่ใจเราไปกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะก็เกิดแต่า ก, กาหนดว่าไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น้าพอใจกิเลสประเภทโทสะก็เกิด ทีนี้ในในธรรนองตัวงานข้าบก็อาจจะคิดออกภายในเราคิดขึ้นเองคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เกิดโทสะ ข, ขึ้นมาคนนั้นสวยอย่างนั้นสิ่งนั้นสวยอย่างนั้น ส, ines, สิ่งนั้นมีค่าอย่างนั้นสิ่งนั้นอร่อยอย่างนั้นมันก็เกิดโลภะขึ้นมาก็แสดงว่าทั้งสองฝ่ายก็ทั้งกุศลและกุศลเนี่ยมันเกิดจากตัวกระตุน้นจากข้างนอกก็ได้เกิดจากการจกนึกเหนียวนึกขึ้นมาจากข้างในก็ได้แต่มีข้อแม้ว่า ภายในใจต้องมีเชื้ออยู่เพราะใดเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านสัมผัสตาเอ่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเราก็สัมผัสอารมณ์เหมือนกันแต่บอดีท่านไม่มีเชื้อกิเลสเพราะการเหนียวนึกในแนวที่จะให้เกิดกิเลสภายในจิตของท่านก็ไม่มีแต่นียวนึกในแง่ของธรรมะมันก็มีเพราะว่าท่านมีเชื้อของธรรมะอยู่เต็ม ญาณข้อแรกท่านเรียกว่าสุตมยะญาณมันก็คือปัญญาในการทรงจําสิ่งทั้งหลายวิจารการทั้งหลายในที่นี้ท่านเน้นไปที่ธรรมที่ได้สดับส่องฟังมาก็คือกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่เราเรียกว่าปภุสูตรปุนี้จะเจอเรื่อยนะเจอบ่อยอการเรียนรู้เมื่อไร่ก็ตามนะแม้ในขณะนี้มันก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้ คือเราจะต้องมีสัมผัสตรงทางประสาทสัมผัสแล้วก็มีการทรงจำไว้และหลักเกณฑ์กฎสำคัญต้องการก็ท่องได้และนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจก็ติดอยู่ภายในใจตัวยาหรือตัวความรู้หรือตัวปัญญาตรงนั้นก็อยู่กับเราแต่มันเกิดขึ้นจากการฟังการฟังจากข้างนอกตามโครงสร้างของ การเกิดสมาธิทิฏฐินะฮะเราจะเห็นว่าไม่เกิดมาจากข้างนอกก็ได้จากแนยวนึกจึกนึกข้างในก็ได้แต่แนวนี้ก็คือแนวสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิถ้ามาจากข้างนอกเขาเรียกอ่ปรโตโขสัจคือการฟังมาจากที่อื่นแต่ว่าโดยความหมายโดยกรอบจริงๆก็ทั้งได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิมได้จับต้องหรือโยนิโสปนัสิการะ คือการนำมาเหนียวนึกสรุ น, นึกด้วยใจของตอนเองก็เกิดเป็นญาณเด็กเกิดเป็นสมาธิขึ้นประการต่อไปศีละมายายาัยญาณปัญญาในการฟังแล้วก็มองเห็นคุณเห็นโทษเห็นโทษของการไม่มีสีเน้นขุณของการมีสีแล้วเกิดสานึกที่จะสารวมระวัง ไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นว่าใครจะต้องเห็นหรือไม่เห็นนะแต่เราเห็นว่ามันเป็นโทษเราก็ไม่ทำเรารับผิดชอบในมโนธรรมสํานึกของเราเองแต่ความรู้เหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากข้างนอกก็ได้การเนวนึกจากข้างในก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบนะคืออาจจะตั้งใจงดเว้นเอาเลยสํารวมระวังเอาเลย หรือแม้แต่ว่าเห็นคนไปละเมิดศีลแล้วเราก็ไม่เอาด้วยอาจจะเดินไปด้วยการเห็นของมันตกหล่นอยู่ริมทางแล้วก็มีราคาเพื่อนอาจจะหยิบเราไม่หยิบพอเราเห็นโทษของการ ท, ทําเช่นนั้นเราก็สงสารเจ้าของทรัพย์เขาเห็นคุณของการไม่กระ ท, ทําเช่นนั้นแล้วก็รักถนอมตัวเอง ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเรากงง็งดเว้นสำรวมระวังอจิตสำนึกเหล่านี้บางทีเนี่ยมันมีพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความคิดอย่างท่านเล่าถึงสาหนุ่มคนหนึ่งชื่อจักกัดแม่ป่วยหนักไปหาหมอมารักษาหมอก็บอกว่ามันจะต้องมีเลือด ก, กระต่ายสุดๆเนี่ยเป็นประกอบในการปรุงยา ที่ชายก็ให้น้องชายไปจับกระต่ายกระต่ายมันก็มีเยอะนะใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปจับมาได้ตัวเด่งกระต่ายก็ดิน้นพอดิ้นมันก็นึกขึ้นมาทันทีเลยก็ยจับตัวกระต่ายตัวแม่มั น, มนก็ต้องการเลือดมากหน่อยลูกมันก็ตกใจแล้วก็ดิ้นรนวักพบวนแม่มก็ร้องแกยก็ได้ความคิด ก็กระต่ายเนี่ยเขาก็มีแม่มีลกูกมีสามีมีพันยาแล้วการที่เราจะช่วยชีวิตแม่ของเราโดยการทำลายชีวิตแม่คนอื่นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกราสัตว์เองเลยก็ปล่อยกระต่ายอันนี้เห็นมาเป็นความคิดแต่ว่าอพฤติกรรมของกระต่ายที่แสดงความหวาดกลัวความมีตกกังวลให้เห็นเนี่ยมันก็เกิดสํานึกขึ้นมา ปรยานเกี่ความรู้ในผุดขึ้นแล้วก็สำรวมระวังก็เป็นศีลไปในขณะนั้ น, น, นการต่อไปเรียกว่าภาวนามายะญาณตรงนี้เราจะคุ้นกับคำว่าภาวนามายะปัญญาคือมีลักษณะดเดียวกันเป็นปัญญาที่มันมีสำรวมระวังจนเป็นปกตินิสัยภาวนาแปลว่าทำไม่มีขึ้นให้เป็นขึ้นจนมีจนเป็น ไมาควาการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางาการทางกายทางวาจารของเรานั้นอยู่ในกรอบของศีลไม่เป็นการละเมิดศีลไม่ได้กล่าวคําหยาบคายไร้ากาฏไม่เป็นการระทึนสร้ายต่อร่างกายคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วเข้าถึงใจนะเกิดมาความว่ามันเป็นภาวนามันมีมันเป็นอยู่ภายในใจแม้จะมีตัวกระตุ้นอะไรมาจากข้างนอกเนี่ย ถ้าไม่รุนแรงเกินไปนะมีข้อแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะแต่ถ้าไม่รุนแรงเกินไปเนี่ยก็ทนได้แต่ถ้ารุนแรงมากก็อาจจะทนไม่ได้ก็เรียกว่าถ้ากระทบก็ไม่กระเทือนแต่กระแทกไม่แน่อกระทุ้งไม่แน่กระทำไม่แน่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าตรงนี้มันเข้มแข็งมากเกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันว่าจะกระทบจะกระแทกจะกระทุ้งจะกระทำก็ไม่กระเทือนแต่ว่าตรงนี้ภาวนาตรงนี้มัน มันขึ้นไปสูงแล้วไประดับอีกระดับหนึ่งทีนี้ธรรมวิธียานมันก็เป็นปัญญาเหมือนกันที่ในการกำหนดปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายลย้วเห็นว่าอย่างสังขารทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลา ย, ห ร, รร ห, ลายหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามโยเวนนิพานนะคือมันตกอยู่ในกดของปัจจัยหลักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อนุตาในยะหนึ่งนั้นคลุมถึงนิพานด้วยแต่วันนิจังกับทุกขังนั้นคลุมไม่ถึงอนอนิจนนจังอานิจจังหรืออา น, นิจจตาอา น, นิจจตาแปล ว, ว่าความเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นธรรมทิฏฐิคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาและเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะสัตรู้หรือไม่จัตว์รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมไม่ได้เกี่ยว สังขารทั้งหลายนั้นก็คงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายก็คงเป็นทุกข์รมทั้งปวงก็คงเป็นนาตาอยู่พระเจ้าสัจรูก็มาค้นพบหลักการเหล่านี้กฎเหล่านี้แล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแะ่โลกตามที่มันเป็นคือความจริงที่แท้จริงมันเป็นเขามันอย่างไงก็ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะในแนวตรงนี้มันค่อนข้างทวนกระแสะความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไม่ชอบทุกข์มนุษย์ไม่ชอบให้สิ่งทั้งหลายมันสูญหายไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอร่างกายก็เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าทรัพย์สินเงินทองก็เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนี่เราจะไม่สบายใจหรือว่าชีวิตเราประสบความทุกข์นี่ก็จะไม่สบายใจ หรือว่าเราต้องการให้สิ่งอะไรเป็นไปตามต้องการแล้วมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเราจะเกิดไม่สบายใจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเกิดเป็นยางความรู้ผุดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องคิดบ่อยๆต้องมาสวดต้องมาคิดต้องมาพิจารณาบ่อยๆคือสาทะยายบ่อยๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกข้อความตรงนี้ว่าอภินหารปฏจเวกขณะคือต้องคิดบ่อยๆดูบ่อยๆเน่คล้ายๆจะเรื่องยากไอ้คล้ายๆจะเรื่องง่ายนะแต่จริงมันยาก คือทำใจให้ยอมรับความจริงตรงนี้ไ <Jub> ด <ilee> <NXT> ้ยากตั้งกําหนดเป็นบทสวดแล้วก็สวดเมื่อจิตมันสงบพอสุขควรไปแล้วคือทำวัดสวดโมได้ตอนหลังๆเนี่ยหรือจิตมันสงบพอสุควรแล้วก็เริ่มมาคิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่ก็คืออะไรคือก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นนิรันดร์ให้ลองสังเกตว่าสิ่งอะไรก็ได้นะเราอาจจะตัดเราอาจจะชงกาแฟมาสักแก้วหนึ่งและนั่งดูก็ได้เอาไอ้สตรีมมาสักถ้วยมานั่งดูก็ได้เอาแกงมาใส่ถ้วยสักถ้วยแล้วนั่งดูก็ได้ก็จะเห็นชัดเจนเลยไว้กดหลักการตรงนี้ยเทวทสาวส่งแสดงขึ้นึ สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปเราความร้อนของแกงที่เราตักมาใหม่ ๆ, ๆที่ชัดเจนก็คือความร้อนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นก่อนที่จริงมันเริ่มจากไม่ร้อนนะนะพวกแกงเหล่านั้นเครื่องปรุงเหล่านั้นเมื่อก่อนมันก็เริ่มจากไม่ร้อนมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแ้วไฟมันทำให้มันร้อนพอเรามาตักวางเนี่ยที่จริงเราก็เข้าใจนะ เอารีบกินเสื้อปเดีย๋ยวจะเจ็นเห็นไหมแสดงว่าเราก็ยอมรับว่าไม่เม็ดไม่เที่ยงเอาไปกินบรเดีย๋ยวจะละลายก็แสดงว่าเรายอมรับในความไม่เที่ยงตรงนั้นแต่ว่ากิเลสไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ลดก็ไม่ได้ถือว่าท ร, รมรรติยานเพราะว่าความหมายของธรรทำมรรติยานมันจะเกิดอาการปล่อยวางแล้วก็ตรงตกในอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็แสดงความไม่เที่ยงออกมาแล้วไปคิดไปมันก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์อะไร เพาะเวลาแ ก, กดำรงอยู่แกดำรงอยู่ทำกลางความเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราก้องจุลทัศน์มาสองดูหยดเลือดอะไรแต่ละไรสอย่างเราจะเห็นว่าแกไม่นิ่งเลยทีนี้ในขณะที่ดำรงอยู่นั่นเองก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความปแปรปรวนอยู่เองแล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้แท้แน่นอนในกรณนนีของการเป็นตุกตาในความเป็นทุกข์ก็ถ้าไม่มองจาก สีกรณีนะที่จริงมันมันสามารถจะพูดได้เยอะเลยแต่ดูง่ายๆเนี่ยสี่กรณีคือหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยลําพังมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุปจัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นเช่นว่าความเป็นอาหารก็ไม่ได้เกิดขึ้นดําลําพังข้าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นดําลําพังตัวเราก็ไมด้เกิดขึ้นดําลําพังขนมนมเนยทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นดําลําพังเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นดําลําพังเ น, ำำงนี่ยมันก็คงสภาพเดิมเข้ามันไม่ได้ ว่าต่างคนต่างก็เป็นต่างสิ่งต่างก็เป็นแล้วจะมีการแผดเผาด้วยเหตุปัจจัยภายในภายนอกแล้วก็จะประสบความเดือดร้อนก็เรียกว่าทุกขเวทนาต่างๆอันนั้นก็คือความเป็นทุกขตาของสังขารทั้งหลายคือความเป็นทุกขของสังขารทั้งหลายทีนี้การการไปเห็นอย่างนี้มันต้องต้องต้องลดพวกความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าลดตัณหามาณาทิฐิลงไป ตาตาามาณติจิยังเพิ่มขึ้นก่อนแสดงว่าไม่เห็นมันเป็นลักษณะใกล้ๆกับนกไปเห็นฟ้าปรม า, ามไปเห็นน้าเสเดือนมปเห็นดินทั้งๆ ท, ที่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นในความเป็นอั้ตานั้นให้หลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายแม้แต่ธรรมะทั้งหลายเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้บังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนดังความเชื่อถือในลัทธิของพระ ในขณะเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านั้นเอามาย่อยเป็นอนุเป็นปรมาณูออไปมันก็กลายเป็นพลังงานมันหมดสภาพความเป็นสาสารก็กลายเป็นพลังงานก็ย่อยเป็นปรมาณูออกไปแต่หาจุดที่เป็นตัวตนไม่เจอเพราะมันสูญไปเลยว่ากันจริงๆแล้วสาระว่าสุญยมเลยหรือสิ่งทั้งปวงศูนย์หมดเพราะในความเป็นเนี่ยมันกั้นกานเกาะคุมกันคล้ายๆกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีบ้าน บ้านมันเป็นความคิดมันเริ่มจากความคิดอยากให้มีบ้านแล้วก็จินตนาการขึ้นมาถึงรูปแบบต่างๆและสะเก็ตภาพแล้วก็เขียนแบบแล้วก็แก้แบบกันไปเรื่อยๆจนถึงสร้างนะฮะปรับปรุงกนะันตั้งหลายครั้งอ่ะกลายเป็นบ้านแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็หมดสภาพความเป็นแบนแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันจะเอาอะไรนะะตัวก็เราเองอยังไม่เป็นของเราเลย มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะพักพา ก, พกสูญเสียเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้เรื่องเลยร่างกายในยคนอุตราทนุถนองกันแทบเป็นแทบตายแต่เราดูพวกแฟชั่นพวกการแต่งเมือแ ต, ต่งตัวของคนทั้งหลายเนี่ยก็สแสดงว่าทุ่มเทให้กับร่างกายนีย่มากเล ย, เยแต่ถ้าเราหยุดดูเนี่ยถามว่าเราดูแลเอาใจใส่แก่สารพัดที่จะทําเนี่ยพูดกับใครรู้เรื่องหรือเปล่า อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าเจ็บนะอย่าแก่นะหนังใหญ่เหวี่ยวนะผมยังหงอกนะนี่พูดไม่เคยรู้เรื่องเลยตายจากกันไปยังเคยไม่ไม่เคยพูดกันรู้เรื่องนะแต่จริงๆเราปลนปลือแก่มากที่สุดในร่างกายเสียเงินเสียทองเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ก, กันเนี่ยเพราะแก่เนี่ยมากที่สุดแต่กลับพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงๆเรา จ, รงราจรึงควบคุมไม่ได้ แล้วก็อาจจะบ่นเพื่อไปนั่นของเราของเราของเราก็ร้องเป็นนกเขาไปของกูของกูเนะี่ยฮะแต่ผลท้ายมันไม่ใช่ของเราเลยแม้ตัวเราก็ยังไม่เป็นของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไงอย่างคํากรนที่ปรากฏแพร่หลายในที่ต่างๆ ทีท่านบอกว่ายศเล่ล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรยกเขไปมือเปล่ามันเจ้ามานั่นก็คือเรื่องของชีวิตมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเพราะไอ้ตัวเนี้ยพยานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเข้าถึงความจริงตามที่มันเป็น ก็ไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นอะไรมันนะมันเหมือนกับเราอยู่ประเทศหนาวมันหนาวมันก็หนาวอะ่ะก็อยู่ให้ได้กับหนาวอยู่ประเทศร้อนก็อยู่ให้ได้กับร้อนน้ำหลากมาก็อยู่ให้ได้กับน้ำหลกักปัญหาสำคัญคือเรารู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ได้ท่ามกลางกฎธรรมชาติตรงนั้นเราเองก็อยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติเราก็อยู่ในกฎของธรรมชาติ แล้วก็ปัญหาเป็นอันมากที่เราเผชิญแล้เราก็แก้อะไรไม่ได้แต่ว่าก็ทำได้ระดับขั้นการบัดเท่าเพราะ น, นธรรมทิติญาณเนี่ยมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าการลดของตัญหามานาทิธินี้ต้องมีจึงถือว่าเป็นธรรมทิติญาณโดยเนื้อหาแต่ถ้ายังไม่ลดก็ถือว่าเป็นระดับของการศึกษาเรียนรู้เท่านั้นต้องฟัท่าไ แต่รมาพธดิาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ้อกงามไปบุ์ในธรรมชู ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุ ก, กันสวัสดี